ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัเช้าเรื่องเฉยอริยะหรือเฉยปุถุชนโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ได้แสดงไว้เมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2536ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นบัด น, นี้ค่ะ ชีวิตคนเรานี่นะก็วนๆเวียนๆอย่างนี้แหละเกิดแก่เจ็บตายนั่นตัวสรุปในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจเข้านี่ก็คือความเกิดเราก็เกิดอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าเกิดยังมีชีวิตอยู่หายใจเข้าไม่ออกตาย าหายใจเข้าออกได้ออกได้มันก็ยังเรียกว่ามันยังหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเป็นสังสารวัตรเป็นชีวิตแต่หายใจเข้าแล้วไม่ออกตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่เข้าอีกจบมันก็ตายเป็นช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีชีวิตที่วนเวียนอยู่มันก็ซ้ำซากเหมือนหายใจเข้าเหมือนหายใจออก นั่นอาตมาสรุปไม่ฟังว่าสั้นที่สุดแล้วการหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันก็สะดวกหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติหายใจเข้าหายใจออกไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรนั่นแสดงว่าชีวิตปกติชีวิตสมบูรณ์แล้วก็ชีวิตก็ซ้ำซากอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะ เมื่พุทธิซ้ำซากได้สูงสุดแล้วก็ปกติสมบูรณ์ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรผู้นั้นก็สบายนะพุทธิซ้ำซากหมุนเวียนอยู่ได้อย่างนั้นแหละสบายแล้วชีวิตจริงๆที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรานี่ท่านให้รู้ว่าชีวิตกับไม่มีชีวิต ไม่มีชีวิตแัก่กว่าไม่มีชีวิตก็คือสุดท้ายกับปรินิพานมีชีวิตอยู่ก็อยู่ให้เจริญเมื่อมันยังมีสังสารวัติก็เป็นสังสารวัตที่หมุนเวียนอยู่มีเกิดก็เกิดให้เจริญเพื่อหายใจเข้าก็ต้องพยายามเป็นผู้ที่หายใจเข้าอย่างมีประโยชน์อย่างมีความเจริญประโยชน์ตนประโยชน์ตนจริงๆแล้วอาตมาก็ยนย่อยฟังแล้ว ประโยชน์ตนจริงๆมันก็คือประโยชน์ผู้อื่นมันจะเป็นอันเดียวกันประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่นจะเป็นอันเดียวกันเมื่อเราละตัวตนได้หมดเพราะจะมีชีวิตอยู่ก็คือคกลไกเราเหมือนเครื่องกลแต่พิเศษอยู่ตรงที่ว่าเรามีปัญญาเป็ น, ปนผู้ขับเคลื่อนปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาอันสูงสุดปัญญาประสาทจักตัวตน ปัญญาของตัวยานวิมุตติยานทัศนะเป็นยานสุดยอดแล้วผู้มีวิชาก้าวแล้วเป็นวิชารอเป็นยานหรือเป็นความรู้และมีชีวิตอยู่อย่างรู้รู้สิ่งแวดล้อมเรกว่ากายโยรู้องค์ประกอบเรกว่ากายหรือกายโยรู้องค์ประชุมทั้งนอกประชุมกันอยู่ทั้งนอกและใน และเราก็ได้ฝึกมาแล้วว่าเราเป็นผู้รู้จากความรู้สึกของตนเองจนฆ่ากิเลสในความรู้สึกของตนเองคือในเวทนาวิเคราะห์วิจัยจากเวทนาตั้งแต่เวทยาเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36เวทนา108วิจัยวิเคราะห์จนรู้กิเลสตนาอุปท า, าน นหมดอุปทานมีชีวิตอยู่อย่างสมาทานรู้จักจิตใจโดยเฉพาะจิตใจของตนเองนี่รู้รอบรู้แจ้งในจิตใจหรือจิตวิญญาณแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ตัวตนไดเป็นองค์ประกอบด้วยเหตุปัจจัยมีชีวิตอยู่ก็มีแต่จะเป็นเครื่องกลแล้วก็ ใช่ยานหรือ ว, วิชาที่วิเศษนั้นสั่งการให้มันอยู่กับสังคมเขาโดยรับใช้โดยมีประโยชน์คุณค่าไม่เพื่อตัวเพื่อตนอะไรอีกเลยเป็นพระอริยเจ้าพระอราหันต์เจ้าพันรู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตตนเองดีแล้วจิตตนเองมีกิเลสอะไรยังไงก็เข้าใจจนกระทั่งอาสวัคยายาน รู้จักอนุตรจิตจิตเป็นสมาหิตจิตจิตเป็นวิมุตติจิตจิตเป็นจิตอยู่เหนือโลกโลกยโลกยจิตโอไปโลกยโลกุตรจิตโลกุตรจิตนี่ก็เป็นจิตที่เป็นอนุตรจิตเป็นจิตที่เป็นสมาหิตจิตเป็นจิตที่เป็นวิมุตติจิตเป็นจิตที่มั่นคงตั้งมั่นมั่นคงชนิดที่เรียกว่า เป็นจิตที่แข็งแรงเป็นจิตที่ทําประโยชน์คุณคา่าตามสถานภาพของพระอาหารหันต์แต่ละองค์แต่ละองค์และจิตก็วิมุตต์หลุดพ้นอยู่ตลอดเวลาทาั้งทั้งที่ตนเองท่านใช้จิตนี่ให้ยึดเป็นสมาทานให้รู้จักกาละรู้จักความพหมะพอดีความควรทําให้พเหมะพอดี นิวรณไม่มีแล้วอายตนะก็ยังเหลืออยู่ขันห้ายัางเหลืออยู่อายตนะยังเหลืออยู่ก็รู้จักขันห้าสักแต่ว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ทำหน้าที่ขันห้าของมันไม่มีอุปทานในขันห้าอายตนะหมันก็สักแต่ว่าอายตนะหมันสัมผัสมีอายตนะก็มีเหมือนคนทุกๆคน อยายตนะนอกอยายตนะในมีวิญญาณอยู่มีผัสสะอยู่มีเวทนาอยู่ก็เป็นขันธ์ธรรมดาเป็นเวทนาก็รู้แล้วว่าเป็นขันธ์แม้ที่สุดท่านจะใช้สัญญาอย่างมากคือการกําหนดรู้แลว้วก็การกําหนดในปัจจุบนันการกําหนดรู้ไปถึงอดีตเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะมีญาณอนาคตังสยานกําหนดรู้ไปในอนาคต ก็เป็นเรื่องของท่านที่จะรู้มียานรู้ก็ใช้การกำหนดสัญญาเนะี่ยเป็นหลักความรู้สึกของท่านก็รู้สึกของท่านมีฐานอุเบกขาเป็นตัวอาศัยอุเบกขาเวทนาแล้วก็มาใช้อุเบกขาเวทนาอย่างเคหสิตะอุเบกขาด้วยเมื่อวานนี้เห็นท่านสรนิโยอธิบายเคหสิตะอุเบกขา มันยังไม่ครบเคหสิตะอุเบขานั้นเป็นอุเบขาคือการวางเฉยชนิดที่มันเฉยโดยไม่มีญาณเฉยอย่างปุถุชนเฉยอย่างปุถุชนเฉยอย่างไม่มีญาณเฉยอย่างไม่มีปัญญาเฉยอย่างไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นธรรมดาของปุถุชนมันมีวาระที่เฉย อุเบกขาของปุตตชนลึกราหัสิตะคือมันไม่ได้มีองค์ประกอบของมรคเป็นอุเบกขาที่มันเฉยโดยไม่มีตัวภาวะของมีสติสะโพดชงมีธรรมวิจัยสะโพดชงมีวิรยิยะสะโพดชงหรือว่าไม่มีองค์ประกอบของโพธิปักเกอธรรมหลักหลักสี่หลักแรกไม่มีสติปทานสี่ไม่มีสมะปะทานสีไม่มีอิทธิบาทสี่ มันปล่อยปละละเลยแม้แต่พวกเราพนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มวีวาระที่จะลืมวาระที่จะทำให้ตัวเองปล่อยมนุเบขาแเครหศิตะนั่นแหละในช่วงที่ไม่ได้มีโพชงเจตประกอบร่วมกับเวลามีชีวิตอยู่ธรรมดาเนี่ยมันมีโพชงเจต เมื่อไม่มีพอดจงเจ็ดมันก็มีการคิดมีการพูดมีการงานมีการทำอาชีพประยุมันก็มีแต่ว่าสติมันไม่เป็นสติสัมมาสติหรือไม่เป็นสติสัมโพชจงความพยายามมันไม่เป็นสัมมาวายามะหรือมันไม่เป็นวิริยะสัมโพชฌงทิฏฐิแม้จะเป็นสัมมาทิฏฐิแต่มันไม่มีกำลังที่ห้อมล้อมสติไม่เป็น สัมมาสติวายามะไม่เป็นสัมมาวายามะหรือสติคุณสามารถเป็นทำให้เป็นสติแห่งองค์แห่งการตรัสรู้ได้แล้วละ่ะแต่ในขณะนั้นคุณเผลอไปสติของคุณไม่ได้ตั้งอยู่ในลักษณะของสติสัมปชงสติไม่มีการรู้ตัวทั่วพร้อมไม่มีการปฏิบัติที่มีโพชฌงก็ไปประกอบ หรือไม่มีโพธิปัจกียธรรมสหลักสสติปัฏฐานสสมปทานสีสนสอุทธิบาทิสีมันไม่มีพร้อมมันไม่เกิดวงจักรนของการปฏิบัติธรรมในระดับสัมมาอริยมรรคคือคกลไกที่มันจะขัดเกลากลไกที่เดินในมรรค เดินในมรรหมายความว่ามันมีโพชชงเข้าไปร่วมกับมรรคคิดก็รู้ตัวได้วิจัยพูดก็รู้ตัวได้วิจัยทํางานทําการกระทากายกรรมไว้อะไรอยู่ทั้งหมดกรรมทุกกรรมเราได้วิจัยงานทุกงานอาชีพตัวอาชีพที่เรากาลังทําในปัจจุบันนั้นๆวิปัสสนานีนมีเงื่อนไขหลักอย่อันนึงก็คือในขณะปัจจุบันนั้นๆเรามีองค์ประกอบของโพดชน หรือมีองค์ประกอบของโพีิปักเยรทำนี่เดินบทอยู่ติดเครื่องอยู่ไม่ใช่ว่าลืมไปเครื่องดับหรือว่ามันตกหล่นไปเผลอไปเป็นแบบปถิชนเป็นโมคะโมคะบุรุษชั่วคราวไม่ได้สังวรไม่ได้ปะหารไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสไม่ได้รู้กิเลสปล่อยให้กิเลสทำงานชั่วขณะ ถ้าคุณรู้ตัวนะมีสติสัมโพธชงรู้ตัวในขณะนั้นนะ่นะและก็ได้วิจัยมีมุทุภูต ธ, ธ, ธ, ธาตุทำงานอย่างรู้นอกรู้ในรู้อยายตนนอกอรยตนในมีมีวิญญาณมีผัสะจับเวทนารู้ข ย, ยายรู้องค์ประกอบของมันนอกในเอามาวิจัยหมดนะ่มันสมควรหรือไม่สมควร กิเลสเกิดอาการเกิดกิเลสประกอบอยู่ในเวทนานั้นอย่างไรแล้วก็ต่อสู้แม่คุณกาลังจะต่อสู้แพ้มันคุณก็ยังเป็นผู้ที่เดินโพดชองอยู่แต่ว่าแพ้แพ้ได้กิเลสมันเก่งกว่าก็รู้ตัวเราเองเราแพ้ก็ต้องพยายามต่อสู้พยายามใช้ทั้งสมถะภาวนาทั้งวิปัสสนาภาวนา พยายามจริงๆคุณได้สู้เป็นนักรบมาในขณะที่รุ้เป็นนักรบอยู่นั่นแนหะคุณกําลังเดินทางอาจจะถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าแต่อยู่ในมัดอยู่ในมัดกําลังเป็นนักรบต่อสู้เลยถ้าคนยิ่งชนะด้วยรบชนะกิเลสลดละจางคลายได้เดินหน้ามัดก็ก้าวหน้าขึ้นไปอยู่ในทางเนี่ย เดินหน้าไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆนั่นก็ยิ่งได้ประโยชน์ได้ผลของเรามันก็คือเดินมักไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงแต่ละรอบแต่ละรอบหรือแต่ละสถานีคลายๆอย่างนั้นนะแต่ละรอบแต่รอบกําลังก็ทดไปเรื่อยๆจะมีกําลังทดไปเรื่อยๆได้กําลังได้ซับซ้อนถอยหน้าถอยหลังซับซ้อนจนกระทั่งเดินห น, น, น้าเรื่อยๆไปได้ขีดมันจะเป็นรอบเรอคือปริมาณของ คุณภาพของธรรมะปริมาณของเนื้อหาธรรมะที่เราได้เนี่ยมันก็เหมือนกับนักทั้งคนที่นักคิดทั้งคนเขาคิดเครื่องคนมันได้รอบของมันได้รอบของมันไปเรื่อยๆเขาจะรู้ว่าไอ้รอบการทดเนี่ยมันจะเป็นทดเป็นรอบๆรอบๆไปแล้วมันจะมีพลังเสริมมันก็คือการเสริมความตั้งมั่นความยั่งยืนความแข็งแรงมันเป็นธรรมชาติของ พลังซึ่งทางด้านช่างคนนักวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้กนะ็จะรู้ดีพวกเราก็คงพอมีความรู้ว่ามันจะมีรอบของมันอย่างนั้นจริงๆนั้นผู้ใดปฏิบัติอยู่ในหลักโพธิปักยีทำอยู่ในหลักหลักโพธชงมีหลักโพธชงทุกเวลาปฏิบัติมักองแปดบอกแล้วว่าตัวสําคัญก็คือเรียนรู้ คิดทิเรียนรู้ความเข้าใจเรียนรู้จนกระทั่งเราเห็นแจ้งว่าเอออย่างนี้เราเป็นความเห็นที่ถูกต้องจะแล้วเราก็ภาคเพียนปฏิบัติเรื่อยไปมีวายามะมีสติประกอบเป็นตัวประกอบกันปฏิบัติสั่งสมลงไปแล้วตัวปฏิบัติก็อยู่ที่ทั้งสังกัปปวารจากรรมมันตะอาชีวะนี่แหละเป็นตัวปฏิบัติ สังสมมตเป็นสัมมาสมาธิก็คือรอบที่จะได้ไปเรื่อยๆสั่งสมความตั้งมั่นแข็งแรงเป็นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิรอบแต่มันยังไม่เป็นสมาธิมันก็สั่งสมพลังอินทรีย์พละอินทรีย์พละไปเรื่อยๆจนได้รอบรอบแต่ละรอบแต่ละรอบแต่ละรอบมันก็จะเป็นสมาธิไปสมาธิไปเรื่อยๆสมาธิก็แกละ ก, กลาขึ้นเรื่อยๆเป็นอัปปนาปยปนาเจตโซพินิโรปนาไปรอบแล้วรอบเล เรื่องแล้วเรื่องเล่าเหตุปัจจัยแล้วเหตุปัจจัยเล่าได้สั่งสมไปเรื่อยๆเพราะในช่วงที่อยตมาว่าช่วงใดที่เราเผลอช่วงที่เผลอตองที่อธิบายอยู่นี่นั่นแหละเป็นช่วงที่เราขาดทุนช่วงที่เราต้องฝึกเพียรให้มันมีองค์อย่างมรรคให้มีมีบทแห่งโพชฌงการเดินโพชฌงในการเดินไปสู่ปริ ไปสู่นิพพานไปสู่พระนิพพานไปสู่จุดหมายปลายทางไปสู่อุทถการถอนอาสวะไปสู่ความสมบูรณ์สุดของความเป็นมนุษย์โพชฌงค์จึงเป็นตัวเดินแท้ๆเลยถ้าปฏิบัติถูกต้องมีองค์ประกอบของโพชฌงค์สได้โพชฌงค์สี่โพชฌงค์ห้าโพชฌงค์หสังสมลงเป็นโพชฌงค์เจดมันซ้อนในสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์ แล้วลึกเข้าไปในสมาธิสัมโพชฌงค์นั้นสั่งสมลงเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นฐานนิพพานที่อาตมาว่าเป็นเป็นฐานนิพพานอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็น an an อุเบกขาเนกขัมมะสิตาอุเบกขาจนถึงเนกขัมมะสิตะข้อไปเนกขัมมะสิตะสมนัตคือคุณปฏิบัติได้ผลในขณะที่คุณปฏิบัติมันยังไม่ได้ผลเป็นเนกขัมมะ สิตะโทมนัดมันสู้อยู่บางทีมันแพ้มันก็หม่โทมนัดแต่เนคขมะในขณะนั้นคุณกําลังปฏิบัติเนคขมะสู้อยู่เป็นพระโยคาวจรมียานปัญญารู้ว่าเราสู้แพ้กิเลสก็แล้วแต่ถอยหลังบ้างเดินหน้ามัางจะสู้สู้บางทีทุกร้อนบาดเจ็บเลยนะบางทีน่ยอธิบายอย่างหนังกําลังภายในบางทีบาดเจ็บ แต่คุณรู้ว่าตัวเราไปปฏิบัติถูกทางอยู่เป็นโทมานต์เนขมะสิตาโทมานต์ไม่ใช่เคหะสิตาโทมานต์ต้องรู้ความต่างลิงคะของเคหัสิตาโทมนต์นั่นมันไม่รู้เรื่องเลยมันอยากได้ก็จะบมเรอใจตัวเองแต่มันไม่ได้สมใจตัวเองที่จะบมเรอแล้วมันก็โทมานต์เคหัสิตาโทมานต์ต่างกันกันเนค ต่างกันกันเนคขมะสิต ะ, ะโสมนัสเคหัสิตะโสมนัสกับบำเพ็ญได้สมใจกับเป็นเคหัสิตะโสมนัสไปก็ต้องรู้ว่าต่างกันเคหัสิตะนี่ต่างกันกันเนคขมะสิตะโสมนัสก็มันก็ต่างกันต่างกันอย่างไรต้องรู้อาการในจิตใจแม้แต่อุเบขาที่อาตมาหยิบมาอธิบายก่อน โอ้ตอนนั้นเพลิไปเป็นเอใบาคาสไอตอนที่อุเบขานี่คือตัวตัวเพลิตัวไม่เคยรู้ตัวมาปฏิบัติแล้วมาเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเราจะรู้โอ้ตัวนั้นนาะมันเฉยนะมันก็เหมือนกับว่างที่อาตมาว่าว่างตัวนี้นะมันไม่ใช่ว่างอริยะมาถึงกันเคหัสิตะอุเบคาสแล้วนี่ที่ท่านอาตมายกตัวอย่างธรรมบุทรตาเอามาอธิบายว่าแล้วก็ไปตีขลุมว่า เราคนเรามันไม่ได้ทุกตลอดการไม่ได้มีกิเลสตลอดการเราเพราะตอนที่ไม่มีกิเลสตลอดการนั่นแหละคือตอนนี้ผ่านชั่วคราวตอนที่ไม่มีกิเลสนั่นแหละตอนที่จิตว่างๆนั่นแหละนี่ผ่านชั่วคราวอาจารมาว่านี่แหละท่านอธิบายตรงนี้แหละไม่ละเอียดพอแล้วก็มาท่านม่ตรงนี้ไม่ลึกไปพอเพราะท่านไม่ได้อ่านพวกจิตเจตสิกอย่างอภิธรรมนี่เท่าไหร่ ท่านก็เลยไปเข้าใจเอาว่าไอ้ช่วงที่ว่างๆนี่แหละจิตว่างจิตไม่มีกิเลสจริงมันว่างเหมือนเหมือนว่างแต่มันว่างอันตพานมันว่างเคหะสิตะอุเบขาจิตมันว่างเฉยนะจิตมันว่างน่ยประเด็นอย่างนี้ละเอียดลึกซึ้งนะฟังดีๆเรามีกันทุกคนนะ่ะจะต้องรู้ให้ชัดถ้าไม่รู้ชัดแล้วคุณก็จะไป ก็กลายเป็นอย่างที่ตาพุลาตาไปพูดถึงกันแล้วคุณก็ไปเข้าใจอย่าง ต, ตาตุลาตาตอนนั้นมันว่างกันดีแล้วนี่นักเข้าก็ทำให้จิตว่างในประเภทแบบฤาษีลืมลืมมันไปเลยไอ้นี่มันมาก็ใช้คาถาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันทุกอย่างไม่เที่ยงใช้ตะ ก, กะทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนว่างสบายแล้วเป็นซิมโตรเมติกทรีทเมนต์เป็นการบำบัดอาการเท่านั้น ปวดท้องก็กินยากแก้ปวดเฉยๆแต่ไม่สาวไปหาเหตุไม่ไล่จับให้ตัวกิเลสตัวเหตุแท้ๆเนี่ยให้ทันจับได้ไล่ทันตัวนั้นให้ได้สาวไปหาเรเดียลทิธิเมนไปหาต้นเหตุของตัวที่จะบำบัดคือการแก้ปัญหาคือปวดท้องนี่มันเกิดจากอะไรนี่ตาไม่ถึงเหตุได้โอ้ตะปูเข้าไปในท้องเจ็ดตัวต้องเอาตะปูออกให้ได้ปวดท้องเพราะว่า กินอาหารเป็นพิษก็แก้อาหารเป็นพิษนั้นปวดท้องเพราะเป็นแผลในลำไส้ก็แก้รักษาแผลที่ลำไส้ปวดท้องเพราะตัวเองนั่นแหละยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งอัตตามากนักจนเครียดเครียดเกลี ย, ยแล้วก็ไปกดดันประสาทปวดท้องเป็นไซคโคซีดเป็นโรคทางจิตไม่ได้มีอะไรสักหน่อยจิตตัวเองทําให้ตัวเองปวดท้องก็ไปแก้ที่ทําไมไปเครียด เครียดเพราะเรื่องอะไรเพราะยึดมั่นถือมั่นมากเครียดเพราะไม่รู้จักความผานหนักผ่นเบาความความควรวางควรลด น, น, นั่นนี่นี่ให้รู้จักขนาดที่พผมบ อ, อกพอดีอะไรก็แล้วแต่สาวไปหาเหตุแล้วแก้ที่ต้นเหตุไม่ใจบร อ, อะไรก็ไม่เที่ยงนั่นเป็นตกกะ เพราะฉะนั้นจะเห็นแต่ตะกะตัว น, นั้นเอาตัวนั้นบำบัดไปเฉยจึงเป็นฤาษีกรุงที่ได้คาถามาใช้เท่านั้นเองฤาษีกรุงที่ได้คาถามาใช้อย่างนี้ไม่มีทางที่จะเป็นอรหรรอันต์หรอกอนัตตาแบบตรกศาสตร์มาแก้อะไรก็ไม่เจตัวตัวนั้นอะไรก็ไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อย่างตระกศาสตร์มาเป็นคาถามาแก้จริงมันแก้ได้ชั่วคราวและมันก็ใช้ได้ด้วยและเราก็ใช้คนไหนเข้าใจก็ต้องใช้บ้างทั้งนั้นแหละ ชั่วคราวแต่อย่านึกว่านี่มันถาวรมันเป็นเรื่องถึงขั้นประมัดจับมันขั้นตายในจิตเจตสิกไล่เลี้ยงจับเนื้อตัวกิเลสได้ชัดแล้วจนกระทั่งสามารถที่จะทําให้กิเลสมันลดจางกลายด้วยปัญญาด้วยด้วยวิปัสนาญาณด้วยในญาณที่เห็นเหตุเห็นผลเห็นดักฐานความจริงเลยว่าโอ้ยไปยึดมันเข้าไปจริงจังกับมันเข้าไปเห็นมันเป็นตัวริดตัวเด็ก ให้มันมีไมีตัวแรงอะไรอยู่ในชีวิตเราอยู่ในจิตวิญญาณเราเราโง่ตายเลยเห็นเนื้อญาณแล้วมันไม่จริงจังมันไม่ใช่ของจริงแล้วไม่ใช่ตัวใช่ตนนะลอกกิเลสเห็นมันจนกระทั่งมันไม่มีตัวตนนี้มันไม่มีฤทธิเดชมันมีอาการมันไม่มีแรงที่จะมาทําปฏิกิริยาในจิตอะไรกับเราจนมันไม่เกิดอาการอย่างนี้เพราะเหตุ เหตุนอกเหตุในอะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบสัมผัสกับเราเหตุเป็นวัตถุเหตุเป็นกิริยาของมนุษย์เหตุเป็นตัวคนเหตุเป็นกระแสะอย่างบางทางนามธรรมามันมากระทบเราแล้วเราก็รู้เท่าทันแม้กระแสะของสังคมกระแสะของกิริยามนุษย์แต่ละคนกระแสะของหลายๆคนรวมกัน กระแสความชอบความไม่ชอบเป็นต้นแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นองค์ประกอบในการวินิจฉัยเหตุผลวินิจฉัยความพอเหมาะพอสมทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้เกิดจิตกิเลสจิตของเราก็ยังวางเฉยเป็นอุเบกขาชนิดที่มีญาณปัญญาประกอบรู้เลยว่าอุเบกขานี่มันวางเฉยแล้วเราก็หยิบเอาทุกๆอย่างนี้มาไม่ปฏิเสธ ไม่ดูถูกดูแคลนอะไรหยิบมาใช้การสังเคราะห์มาบวกลบคูณหารมาพิจารณาร่วมเป็นเหตุผลครบคันเป็นข้อมูลเหมือนคอมพิวเตอร์ที่รับข้อมูลทุกอย่างด้วยใจไม่ผลักใสไม่ชังไม่ชอบข้อมูลเหล่านั้นก็มีเหตุผลทุกอย่างไม่ลําเอียงไม่ผลักอันหนึง่งไม่ดูดอันนึงรับมาเป็นเหตุผลมาบวกลบคูณหารมามาโซ่ มาร่วมสังเคราะห์มาร่วมบวกลบคูณหารมาร่วมทำเป็นข้อมูลที่จะให้เราวินิจฉัยมันก็จะได้ค่าที่ไม่ลำเอียงเป็นค่าที่สมบูรณ์ครบครันมีข้อมูลมากเท่าไรก็ดีจนสุดท้ายเราก็ทำงานโดยจะบวกลบคูณหารอะไรก็ได้แต่จิตใจก็อุเบกขาสังขารได้จิตอุเบกขา คือปรุงร่วมร่วมรู้ร่วมคิดร่วมเห็นร่วมอะไรร่วมทำร่วมวินิจฉัยอะไรทุกอย่างสังขารทำงานได้เป็นวิสังขารเป็นการปรุงอย่างวิเศษยิ่งวิตัวนี้เป็นตัวพิเศษเป็นตัววิเศษโดยไม่มีไม่มีอะไรไม่มีกิเลสไม่มีตัวตนของกิเลสเป็นการปรุงอย่างอนัตตากําหนดรู้ก็ยิ่งเก่ง สัญญาก็ยิ่งเป็นปัญญาที่ยิ่งเก่งเรื่อยๆการกำหนดรู้ความจำก็จะดีเอาเหตุผลจากอดีตอย่างรู้อดีตไปเรื่อยๆเป็นความรู้อย่างอดีตไปได้มากขึ้นเป็นบุเพนิวาสานสุสติจานึกขึ้นยิ่งทำก็ยิ่งลึกขึ้นไปเรื่อยๆจึงมีอภิญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพระอาหารหันต์เจ้ายังทำงานอยู่เมื่อไหรก็มีอภิญญาเสริมพระโพธิสัตว์เสริมก็อภิญญาเสริมขึ้นไปโดยสัจจะไม่มีใครไปแกล้งไม่มีอะไรมายัดเยียด <c oughs> เพราะเราใช้เพราะเราฝึกเราปรือทุกอย่างเจริญยิ่งขึ้นเวทนาก็ยิ่งเก่งอุเบกขาก็แข็งแรงจะโสมนัติก็โดยสักแต่ว่าโสมนัตที่เคยอธิบายแล้วว่ามันเป็นมุติตาจิตเป็นเข้าการเข้าถึงอนุโมทนาในระดับบุญชั้นสูงบุญของอริยะเป็นปัตตานุโมทนาใหม่ของอริยะ เป็นการเข้าถึงความยินดีปัตาโนโมณัทนาใหมย่ยินดีที่ได้ดีที่เห็นความเป็นเทวดาชั้นสูงจิตของเรานี่ยเจริญเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆหรือยินดีในบุญเมื่อรันลักษณ์กิเลสของท่านหมดท่านก็มีแต่จะไปขัดเกลอบุญนี่คือการขัดเกลวขัดเกลว์ให้ผู้อื่นเออท่านก็ยิ่งรู้ว่าทําอย่างนี้ช่วยผู้อื่นได้ขัดเกลวหรือขนสัตว์ได้ ช่วยผู้อื่นจเจริญขึ้นได้ทําให้ผู้อื่นเป็นเทวดาที่แท้จริงเป็นอุบัติเทพขึ้นไปได้จนเป็นวิสุสทธิเทพช่วยผู้อื่นเป็นอุบัติเทพช่วยผู้อื่นเป็นวิสุทธิเทพขึ้นได้ก็รู้วดียินดีที่เขาได้ดีมุติตาจิตเกิดหรือปัดเข้าถึงปัตตานุโมตนาใหม่ของพระอริยะหรือเป็นพระอรหันนั่นแหละจิตก็ยิ่งจเจริญ จิตก็เจริญได้ตลอดไปถึงสั่งสมสัพพัญญุตยานก็ได้เจริญขึ้นไปเรื่อยมีแต่ประโยชน์ท่านแล้วมันก็เป็นเจริญไปตามภาวะจริงๆเจริญไปตามที่ท่านยังมีมีการเกิดอยู่ยังไม่ยอมปรินิพานเพราะฉะนั้นก็ใช้ขันธ์ห้ารู้จักขันธ์ห้าดีรู้จกัจกอจจตนะดีโพธิชงก็เป็นตัวเดินตัวก้าวไปถ้าเราก้าวไปสู่ความเป็นอริย แค่โสดาส ก, กิทาอรหันต์แล้วก็ก้าวไปถึงอรงหันต์ถ้าคุณเป็นอรหันต์แล้วคุณก็ก้าวไปสู่สัมมาสัมพุทธะก็ก้าวไปอย่างนั้นจริงๆก้าวเดินอยู่โพธิวงนี้ก็ยิ่งเจริญเป็นตัวก้าไปสู่สัมมาสัมพุทธะนั่นแหละก็อยู่ในลักษณะมรรคองแปดไม่ออกเหนือไปจากสังกปะาวาจากรรมมันตะอาชีวะตรงไหนจะผากเพียรประโยชน์ต้นจนเป็นพระอรหรันต์ จะมีแต่ประโยชน์ท่านจนเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ที่สังกปปวาจากรรมันตะอาชีวะอยู่กับมนุษยชาติอยู่กับกรรมสามอยู่กับการงานอยู่กับอาชีพของมนุษย์มนุษย์ไม่มีอาชีพไม่ได้อาชีพที่จริงก็มัก็แปลว่าชีวิตเท่านั้นแหละชีพก็คือชีวิตชีวะชีพระพอพานกวอวแหวนนี่มันก็ตัวเดียวกันแทนกันได้ ชีวะหรือชีพะชีพชีวะอาชีวะก็คือชีวิตเป็นชีวิตวิเศษอาตัวนี้เนี่ยย้อนไปย้อนมาปัตุปสสักตัวนี้ที่นำหน้าชีวะเนี่ยเป็นชีวิตที่วิเศษเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีชีวิตยังไม่วิเศษทาอะไรอยู่ในโลกเป็นอาชีพอย่างปุถุชนอาชีพมันก็มีแต่บาปมีแต่เวรมีแต่ภัยมีแต่ทุกข์มีแต่ร้อน ยิ่งไม่รู้เอาหนักๆโง่หนักหนักโง่ก็คือเอาวิชานักดักก็ยิ่งมีตัเวนแต่ภัยแต่บาปเขาสอนว่ารู้จักบุญบ้างสั่งสมไปก็ไม่แน่ไม่ชัดจนมาพบศาสน า, าพุทธ ร, รู้ชัดว่าอย่างนี้แหละละลางซ ะ, ละนี่เป็นตัวเวรตัวหมุนเวียนตัวที่ไม่รู้จักจบเพราะถ้ารู้คุณรู้ว่าไอย้ยางงี้มันแย่แล้วนี่นการหมุนเวียนที่ต่ําที่สุดนี่คืออุบายยมกหรือโลกโลก อบายโลกนรกหยาบอาสวะของแต่ละเหตุเหตุอบายมุกตัดอย่างในชีวิตนี้นี่นะที่อาตมายกตัวอย่างอาบายมุกเร็วๆนี่นะอาตมาไม่ได้เคยไปสูงสิงอะไรกับเขาหรอกชีวิตก็มันรอดมามันไม่ไปตกต่ำแบบนั้นมันไม่ผลักไสไปจะไปเป็นโจร จะไปเป็นนักเลงโอ้ไม่รู้เรื่องเลยอาตมาชีวิตนักเลงเป็นยังไงนักเลงหัวไม้ไม่รู้เรื่องได้ยินแต่ข่าวเห็นแต่เขาเป็นก็ไม่เอาแล้วไปหัดกินเหล้ากินยายอย่างที่ว่าเนี่ไม่ติดไปหัดเล่นไพ่ก็เป็นตือตือในแปลว่าโม้ให้เขาเฉือนเราก็รู้ว่าเอ๊ะทําไมเราไม่เก่งหัดหัดเล่นไพ่หัดแทงไม่เลียด ไม่เก่งแม้แต่ที่สุดจะไปเป็นดาราก็ไม่ได้เป็นมันมีภาวะซับซ้อนนะถ้าไปเป็นดาราเข้าไปแล้วก็แม้ติดลมเหมืองกระเบิดป่านี้ก็คงไปขี่ลอนสรอยเหมือนเบิร์นแล้วอะ่ะมันจะไปเหลือเหรอมันก็เปลงโลกียะเยอ่เงี้ยน่ะแต่เราบอกว่ามันต้านไม่แล้วมันสภาวะซับซ้อนมันต้านไม่แล้ว พรจะไปเสียวเวลาเลยไปลิ้มลิมลอง ล, องลองดูก็เท่านั้นแหละไม่ใช่ลิ้มลองหรอกมันบิงลมอมก็พองเนี่ยเราฐานะของเราบา ร, รมีของเรามีเทา่านี้ก็ถูกโลกมันมองมาไปบ้างก็มงเามาไปนิดนิดนหน่อยไปเล่นไพ่ก็เมาไปนิดนหน่อยไปกินเหล้ากับเขาก็หัดเมาเลยเขาแกล้งเมาให้มันเหมือนนะมนไม่เหมือนเลยแต่ไม่แต่มันลึกนะอาตมามเคยมเมาเหล้าถึงขนาดอาจเจียน เดิน ก, ก็นึกว่าเราเดินตรงอะนะไอ้ตอนเมาเนี่นึกว่าเดินตรงทั้งนั้นแหละแต่จะตรงไม่ตรงไม่รู้ละแต่ขับรถได้ขนาดขับมอเตอร์ไซค์เมากินมาด้วยกันเพื่อนนี่สมจินธรรมทัตนี่นั่งหัว ด, ด้วยกันเนี่เฮนซี่หนึ่งขวดโซดาขวดเดียวขวดเดียวนะไม่เติมโซดาอีกนะตบตูดเป็นอย่างธรรมดามันในนัก็คอยล้างคอด้วยโซดาเฮนซี่ขวดหนึ่งหมด สองคนสั่งไมโครมาอีกครึ่งขวดสซดาขวดเดียวนี่ยแหละตบตูดคิดดูสิเรามันจะไม่เมาทนไหวเลยเห็นไหมสองคนนะเห็นไหมสิ่งหึ่งขวดก็ไม่โค้งอีกครึ่งขวดขับมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นอาตมา ก, ก็เอาสมจินใส่ท้ายรถไปส่งบ้านเขาสมจินทร์น่ฟุบประกันหลังอาตมาไม่ตกหลงรถก บ, บุญล้ว ซ้อนรถไปก็เอาไปส่งขึ้นบ้านต้องหางกันขึ้นบ้านเมียเขาลงมารับก็หางกันขึ้นบ้านให้เขาเสร็จอาตมา ก, ก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเคยเมาหนักขนาดไหนไหนไหน ไ, หนไหนอาตมา ก, ก็เคยมาคนอื่นก็กเมาจนไม่รู้ตัวหมดสติคือคุมสติทําอะไรไม่ได้อาตมา ก, ก็ยังขับมอเตอร์ไซค์ได้ไอ้ขับรถ ย, ยังสี่ล้อนะคุณขับมอเตอร์ไซค์ในสองล้อนะ ตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาแม่แตกไปเล่นไสยศาสตร์ทรงเจ้าเข่าผีอะไรก็บเขานี่นะมันไม่หมดสติมันยังมีสติรู้ตัวว่าเราคือเราเราคือเราเราเรายังเป็นเราอยู่นะเรายังเป็นตัวเราอยู่ยังมีสติเหลือยังไม่เคยขาดสติจนกระทั่งดับไม่รู้เรื่องไม่เป็นเราเลยยังไม่เคยเลยเมาก็ไม่เคยหมดสติไปเข้าทรงก็ไม่เคยหมดสติ แตไปถามสิคนเข้าทรงเนี่ยเขาไม่รู้ตัว chaos, ร เ, ร เ, เ, ร เ, รเราก็ไม่รู้เรื่องเลยเมื่อนั่นแหละสิงมาสู่หมดเลยไม่รู้เรื่องไอเราก็อยากเป็นอย่างนั้นนตอนเข้าทรงเนี่ยอยากจะหมดไม่รู้เรื่องเลยแต่มันก็ไม่หมดมันก็ยังมีนิดลำลำเรืองๆอยู่ในตัวเราเราก็รู้ตัวเราอยู่แต่ก็ไปกับมันไปกับตามบทบาทมันจะเป็นยังไงไปมัม้งมีพลังอะไรที่มันจะเป็นแบบเราไปกับมันอยู่ทุกอย่างได้แต่มันก็ยังรู้ว่ามีเรา นี่มันก็เป็นบรารมีอาตมาอาตมาว่ า, าแต่ก่อนไม่รู้แต่ก่อนนึกน้อยจว่เอ๊ะทาไมเราไม่หมดความรู้ตัวทําไมเราไม่หมดความเป็นเราเลยนะแต่ตอนนั้นไม่ได้เรียนธรรมะไม่ได้รู้คำเป็นเราไม่เป็นเราอะไรไม่รู้เรื่องอะ่ะทําไมเรามันยังมีเหมือนเขาเขาบอกว่าโอ้ยเขาเข้าสงสนิดนะเทบเข้าสิงสนิทเตวดาเข้าสิงสนิดหมดไม่มีเหลือเราเราไม่รู้ตัวเลยให้เราเอ๊ะทาไมเรายังรู้ตัววะนึกว่าเราไม่เก่งอีกนะพราะนั้น เดี๋ยวนี้ถึงรู้ตัวว่าไอ้พวกนั้นนะมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันโมหะไอ้เรามันหมดโมหะแล้วมันก็มีเรามันก็มีอะไรที่แข็งแรงอยู่นั่นนะเนี่ยเมื่อสิกรมาจินดาบอกว่าโอ๊ยเราก็น้อยใจนะเป็นนั่งเจโตสมถะกับธรรมกายเขาทำไมนะเราไม่เห็นอีกดวงแก้วสักทีนั่ง น, น้อยใจเราไม่เห็นดวงแก้ว เร็จแล้วก็มาที่นี่ก็มาปฏิบัติธรรมไปที่นี่ว่า ก, ก็ดีแล้วละคุณไม่ถูกก็มอมเมาได้งงก็ครอบงำคุณไม่ติดนั่งไม่เห็นดวงแก้วมันก็ดีแล้วถ้าเห็นดวงแก้วปานนี้ไม่ได้มาที่นี่แล้วถูวก็ครอบงำไปทางโน้นแล้วนี่เห็นโสดาในดวงแก้วเห็นสกิทาในดวงแก้วเห็นธรรมกายในนวนป่านี้เป็นพระอรหันต์ไปแล้วมั้ง <c oughs> เห็นพระอรหันต์ใน เห็นธรรมกายในดวงแก้วเป็นอรหันต์นี่ธรรมกายของโสดาธรรมกายของสกิทาธรรมกายของอนาคาธรรมกายของอรหันต์มัก็จบแล้วนี่พอเห็นธรรมกายในอรหันต์ในดวงแก้วมันก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วเขาก็เป็นพระอรหันต์กันไป <c oughs> นี่แล้วละ่ะมันได้เป็นพระอรหันต์ในดวงแก้วอันนี้ก็เป็นทางจิตวิญญาณเราจมาพูดไปใครเข้าใจก็เข้าใจไปก่อนใครยังไม่เข้าใจก็จะเพิ่งไปเอาไปพูดเล่นอย่าไป ไปปิดเทียบค่าโนโนนนีมันมันจะกลับไปกลับมาหัวหวคนผิดอยู่นะไม่ใช่เรื่องเล่นนะฉันมันเปนเรื่องลึกซึ้งก็พูดเล่าสู่ฟังนะทีนี้กลับมาถึงตัวเมื่อกี้พูดไปถึงอุเบกขาที่ขึ้นต้นว่าอุเบกขาอย่างเคหัสิตะนั่นนะมันเป็นอุเบกขาของโลกีที่มันวางเฉยชนิดที่คุณต้องรู้เลยว่าในขณะเฉยนี่มันไม่ใช่เฉยธรรมดามันต่างกันกันเนคมะสิตะอุเบกขา วางเฉยที่ตั้งแต่เป็นโทมนัสเนคขมสิตาโทมนัสเจเนือตั้งเนคเขมาสิตาโสมนัสปฏิบัติได้แล้วเป็นปิติสัมโพชงนั่นเองเนคมาสิตาโสมนัสเนี่ยเป็นปิติสัมโพชงนั่นเองปฏิบัติได้มีโพชงสามพอปฏิบัติได้ผลก็เป็นปิติมันได้ดีที่อาตมาแปลปิติตัวนี้ว่าได้ดีก็ ถ้าใครฟังธรรมอาตมามาแต่ไหนแต่ไหนจะจําได้เป็นองค์ฌานเป็นองค์ฌานฌานสองปิติมันชัดมันได้ดีแต่คนก็ต้องมีฟูใจแต่แรกๆที่คนยังไม่เก่งเนี่ยคนจะมีฟูใจมันเป็นอุปกิเลสซ่อนให้ลดอุปกิเลสนั้นแต่ไม่จะเป็นลดตัวได้ดีได้ดีในพยายามสังสมก็ไปให้มันเป็นสมาธิให้เป็นความตั้งมั่นให้ได้ คุณภาพคุณธรรมอะไรที่ดีคุณต้องเอาตัวดีไว้วิเคราะห์ซ่ อ, อนออกไปอีกแล้วอุปกิเลสเป็นอาการอย่างไรดีใจฟูใจหลงในความดีใจที่ได้ดีแต่ตัวได้ดีคือคุณภาพอย่างไรพลังงานจิตที่รู้จักเจโตปริยานรู้จักกิเลสรู้จักเข้าใจวิจัยอาการของจิตสัญญาเป็นอย่างไรสังขารเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรเจตสิกต่างๆเป็นอย่างไร อานาคารในปฏิยัติละออุปกิเลศเป็นอย่างไรวิจัยอุปกิเลศออกมาค่าไม่มันฟูใจตัวนั้นถ้าปิติลดอีกก็เป็นปัจสัตติเป็นความสงบระ ง, งับปิติปัจ ส, สัตติสำโพธชงสงบระ ง, งับนั้นก็ลึกซึ้งกว่าพิธีนะแม้แต่จะสงบระ ง, งับนั้นนะ่ะมันก็เหมือนอุเบกขาแหละแต่อุเบกขาขั้นนี้เนะี่ยยังไม่แข็งแรงและ มันเป็นความสงบร่ำงับมันความวางเฉยได้อย่าไปติดความวางเฉยขนาดนี้ก่อนซ้อนลงไปอีกสั่งสมลงไปให้น้นหนาให้มันคงเป็นสมาธิเป็นความแข็งแรงนี่เป็นอุเบกขาลำลองนะปัจสัิตัวนี้คุณอ่านอาการได้ได้ว่าฟูใจกับไม่ฟูใจเป็นอย่างไรเออวางเฉยแต่เจตสิก ท, ทำงานได้ดีนะเวทนาสัญญาสังขารทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆคุณก็จะ เก่งเป็นอินทรพละที่รู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักใช้สัญญาจนกระทั่งรู้จักใช้สังขารเป็นวิสังขารหรือเป็นปุญญาพิสังขารปรุงเป็นปรุงขัดเก่าตัวเองก็เก่งจนขัดเก่าได้จนกระทั่งเป็นปัจสัทธิได้ปัจสัทธิคือจิตที่เราอาศัยสงบนําง・・รับเป็นาธาตุรู้ เ ง, ง, งาดเงาคืออะไรกิเลสนะระงับแต่จิตเป็นท่ารู้นะมันรู้มันยิ่งแคล้วคล่องสังขารได้เก่งด้วยซ้ําสัญญาก็เก่งรู้สึกก็ได้ชัดความจริงตามความเป็นจริงไม่มีกิเลสไม่มีโอปุกเกสเขไปสังขารร่วมกับเวทนาเลยเพราะเราจะเก่งเวทนาไปจนถึงร้อแปดเวทนาในเวทนานี่จะสังเกตได้ว่า สัญญาท่านก็ไม่ได้วิเคราะห์เฉะซอยลึกลงไปถึงร้อแต่สังขารไม่ต้องเป็นนับมนหรสังขารน่ยมันสังขารอะไรก็ได้พอสังขารมันปรุงแต่งเป็นโลกียะเดร้อยแปดเลยมันนับไม่ท้วนนะสังขารน่ยมันปรุงแต่ที่นี่สังขารอย่างไรอะสังขารอย่างวิสังขารสังขารอย่างโลกีย์อย่างเคหัสิตะสังขารอย่างโลกุตระหรือสังขารอย่างเนคขมะคั้งสังขารอย่างพระอริยะ สังขารอย่างไรงนี่เป็นตน้นเราก็ปรุงสังขารอย่างโลกุตระด้วยสังขารอย่างเนคขมา่าเนี่คือสังขารอย่างแข็งแรงยังไม่ปรุงกิเลสเข้ามาบ่มเมรือตนแล้วไม่ให้กิเลสเข้ามาร่วมสังขารแต่ปรุงเหมือนกับแม่ครัวนี่ปรุงอาหารนี่เราไม่ได้เอาความชอบของเราไปปรุงเลยเราก็แต่ว่าโอ้ปรุงตอนนี้ทํากับข้าวให้คนนี้กิน เรารู้จากภูกระโปรงปัญญาตาเรารู้จักคนคนี้เขาชอบรถนี้แต่ทีนี้เราปรุงขับข้าวนี่ให้หลายๆคนกินอ๋อหลายๆคนนี่เขารถกลางๆกันนี่แล้วก็ปรุงรสกลางๆไม่ใช่เฉพาะบุคคลแต่ปรุงรถเหล่านั้นน่ะเราเองอุเบกขาเราเราเองเมื่อติดรถเหล่า น, น, นั้นแล้วกินก็ได้ไม่กินก็ได้รถนั้นน่ะรถที่เราปรุงน่ะ ราปรุงให้คนอื่นเราไม่ได้เป็นเราเราไม่ได้เอาเราเป็นหลักเราไม่ได้เอาว่าเราชอบแล้วก็ไม่เอาว่าเราชังชังก็ไม่มีชอบก็ไม่มีแต่เราปรุงเพื่อเขาปรุงเพื่อผู้อื่นนี่เป็นต้นเพราะสังขารนี้เป็นสังขารที่เราใช้เพื่อผู้อื่นฝึกไปเรื่อยๆปรุงเท่านี้เราเป๋เหมือนกันแฮะแอบเสพหน่อยๆเต้องอานหลือสิ่งที่แซมแซมแอบเสพ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณจะรู้ตัวนี่เราแอบเสพนะนี่มีภาวะยนต์นิดหน่อยคุณจะต้องมียานตรูดมันเรื่อยอย่าเพลอไพลยอย่าไปหลงว่าตัวเองกิเลสเกลี่ยงไว้นักอ่านปฏิสัทธิอ่านจิตสงบหรืออุเบกขาช่วงนี้ไปสั่งสมลงเป็นสมาธิสมาธิสมาธิจนมีภาคปฏิบัติที่มีปัจจัยเป็นมีสัมผัสเป็นปัจจัยมีอายตนะหก มีองค์ประกอบที่ยิ่งแข็งแรงยิ่งแข็งแรงโจทย์ยิ่งหนักโจทย์ยิ่งหนักโจทย์ยิ่งแรงคนก็มีประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยไปสั่งสมความเป็นประโยชน์สมาห enfin in ิตาจิตก็จะแข็งแรงเรื่อยเรืยเรื่่สมาธิตัวนี้สั่งสมขึ้นเป็นสมาหิตจิตสมาฮิตจิตเรื่อยๆมันก็ซ้อนในซ้อนในซ้อนในเป็นอุเบขาสัมโพธชงอุเบขาสัมโพธชงอุเบขาสัมโพธชงตัวเก่งตัวเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอุเบขาสัมโพธชง เป็นเนคขมะสิตะอุเบกขาเป็นอุเบกขาที่วางเฉยยิ่งเฉยยิ่งแข็งแรงยิ่งตั้งมัน่นยิ่งโลกวิถูยิ่งรู้เท่าทันโลกยิ่งกระทบสัมผัสพุทธสาโลกะธรรมะหิจิตตังยัตสานกรรมปรติยิ่งสัมผัสต่อโลกธรรมที่จัดจ้านโลกธรรมที่นรกลึกสวรรค์จัดจ้าน เราก็สามารถเป็นพระมาลัยลงไปโปรดสัตว์ได้แข็งแรงได้นรกร้อนเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปช่วยมนุษย์ที่ในโลกหรือโลกียะต่ำต่ำเท่าไหร่ก็ได้เพราะมีอิทธิวิธีเพราะมโนมยิทธิเก่งอิทธิวิธีเก่งกินเลส กองตัพภูเขาก็เดินทะลุเหมือนเดินในที่ว่างอุเบคากิเล ข, ของโลกหนาขนาดนี้ก็เดินเหมือนทะลุกําแพงเดินเหมือนทะลุภูเขาได้แก่งภูเขาโตยิ่งขึ้นโตยิ่งขึ้นยิ่งเป็นผู้มีอิทธิฤทธิเดชยิ่งขึ้นเขาไปช่วยคนอื่นได้มากขึ้นจึงเป็นผู้รื้อขนสัตว์เนี่ยตมาอธิบายเพราะอาตมาเป็นโพธิสัตว์พวกคุณยังไม่ถึงโพธิสัตว์คุณก็ฟังไปได้เป็นเหตุผลที่ชัดเจน อิทธิวิธีก็จะเป็นอย่างนั้นลงไปในแดนโลกียะนั่นเองหรือนรกจริงๆนั่นแหละนรกก็อยู่ในโลกียะนี่แหละก็ไปช่วยคนตกนรกได้มากขึ้นหรือคนสัตว์ได้มากขึ้นเพราะเราแข็งแรงคุณก็สั่งสมตัวคุณได้โซดาส ก, กิฐานาคาซ้อนไปอัตมาก็ไปพาคุณออกหน้า ไปที่เดียวหรอกอาตมา ก, ก็พาคุณทาโดยเฉพาะในหมู่เราเนี่ยทุกวันนี้เราก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาและก็พวกเรากันเองนี่แหละเป็นตัวโจทย์ให้พวกเรากันเองตราบใดทีด่คุณไม่เลิกกัดกันต้องใช้จำนวนห ย, ยาบๆหน่อยกระทบสัมผัสกันแล้วก็ถือสากันอยู่บางคนยังไม่มองหน้ากันบางคนเอเฮ้ยเน้นกี่หน้ามันคุณมาชังกันทาไม พี่น้องกันทั้งนั้นพระราดอนระาพาบก็อยู่ที่จิตเรานี่แหละมีกิเลสเราจะชังจะชอบก็อยู่ที่เราประชดกันแดกดันกันมันก็เป็นบทฝึกขัดทั้งนั้นแหละเป็นโจทย์ทั้งนั้นแหละโจดของการปฏิบัติธรรมนี่มากมายเกระแทกกันอย่างแรงบ้างกระแทกกันอย่างเบาบ้างพวกเราไว้เหมือนชาวโลกจับยาขอลอกชังกันก็ ดากันหยาบามือนปากตลาดดีไม่ดีก็ทบกันขวนกันไมนะไห ม, ไมเราลีลาเหลือร้ายละพูดเนบพูดแหนมกันปากหอกประชดกันบางทีก็สอนกันนะนะแล้วแต่ใครจะมีลีลาสอนอย่างไรบางคนก็สอนอย่างหยาบหยาหยาของอย่างพวกเราด้วยนะมันก็ไม่เหมือนปากตลาดว่ากันประชดกั น, อ ย, างงานอย่างง้นอย่างนี้กัน มันยังมีอารมณ์ชังๆอยู่บ้างเนี่ยมันจะรู้ตัวเลยว่ามันมันหยาบชนิดนั้นชนิดนี้รู้สึกตัวเมื่อไหรนะไม่เป็นการหลุดหลงโพดชงไม่หลุดไปจากตัวเมื่อ น, นั้นก็ถ้าจะสอนเขาก็ชักดีหน่อยเผลอตัวเมื่อไรกิเลสเข้าไปปรุงร่วมในการที่จะสอนเขาผีเข้า เพราะฉะนั้นการสอนเขาได้่าทีลีลาจะเป็นกายกรรมว่าจีกรรมหรือแม้สายหูสายตาก็ตามมันไม่เคยรู้ตัวแต่คนอื่นเห็นไอ้นี่จะด่าคนนี้ดูมันด่าดอย่างนั้นอ่ะไอ้นี่จะว่าคนนี้ว่าพวกเรานี่แหละถ้าคนอื่นเข้ามาแล้วมีสติดีนะโอ้เสแลยอมเขาแต่พวกเราไม่ยอมกันอย่างนี้เป็นต้น มันก็ซัตว์กันไปสัตดกันมาพวกเรานี่แหละมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอยู่ร่วมกันสหายะเนี่ยสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีโจทย์ของพวกเรากันเองนี่แหละจะลึกซึ้งขึ้นแนบเนียนขึ้นผู้ดีขึ้นจะไปเอาคนข้างนอกมาเป็นโจทย์ให้เราก็มีเห ม, มือนกันแต่โจทย์อีกอย่างนึงซับซ้อนเหมือนกันบางทีทําให้เราเป็นผู้ดีได้เหมือนกันข้างนอกนะเพราะเขาถือสา ม, มากบางทีนี่เราต้องเป็นผู้ดีมากๆ บางคนถือจัดมาเห็นเราตัวเขาเองนั่นไม่ได้เป็นผู้ดีเลยหรอกนะแต่เขาถือของเขาเพราะเขาตั้งข่าของเรามาสูงพราะเราต้องผู้ดีเพี้ยอย่างนี้เลยนะเพราะเราจะหยาบนิดหยาบหน่อยนี่ไม่ได้หรอกบอกโอ้โหโศกนี่มันร้ายทั้งๆที่บางทีไม่ได้ร้ายแรงอะไรเท่าไรเลยเนี่ยคนตั้งค่ามาเงี้ก็มีบางคนเนี่ยมาเจอพวกเราบางคนก็หยาบจริงๆ มันหยาบซอนบางคนมองในเรื่องของวัตถุธรรมดาบ้านเขานี่บ้านเขาสะอาดนะพอเข้ามาที่นี่โอ้ดูที่นี่มันรกมันไม่สะอาดฝุ่นก็มากแค่ฝุ่นมันก็พูดดีพอกริยะอะไรว่าฝุ่นก็มีบางทีเขาเข้าส้วมพวกเราก็ดูที่ส้วมมันก็ไม่สะอาดเลยบางทีเขาไม่เข้ายังไม่เข้าส้วมแล้วนั่งอยู่ข้า ง, น, างนอ ก, น, อกนี่นะ พวกนี้ปฏิบัติทำยังไงเปิดน้ําแรงเลยนะก็พวกเรานี่แหละจะเป็นโจทย์แก่กันและกันอย่างจริงให้เรียนรู้ให้ละเอียดละอ่อเถอะพวกเรานี่มีบุญคุณต่อกันไม่ได้เป็นพี่น้องกันแต่ชาตินี้หรอกนะมันเป็นพี่น้องกันก็คือเป็นคู่ต่อสู้กันมานั่นแหละมาเป็นพี่น้องมันซัดกันมาไม่รู้นานเท่าไรจนกระทั่งมาซัดกันมาเป็นพี่น้องนี่แหละมาซัดกัน สัดกันตามอย่างพี่น้องนี่แหละจวกันไปจวกันมาซัดกันไปซัดกันมาเพราะฉะนั้นตั้งจิตไว้ให้ดีตั้งจิตไว้ให้ตรงมณสิการไว้ให้ดีถ้าตั้งจิตไว้ชอบเราก็จะเออแข็งแรงต่อกันนะพวกกันเองเนี่ยทะเลาะกันเองจนกระทั่งเราจะตกร่วงนี่เราโง่ตายเลยนะพวกเรากันเองแท้ๆพี่น้องกันเองแท้ๆแล้วก็ ชังกันมือนก็ครอบครัวข้างนอกเขามีพี่น้องกันแล้วก็ชังกันไม่ดูดำดูดีกันตายเป็นเงินคนละกระเป๋ากลายเป็นคนละชีวิตกลายเป็นเหมือนกับไม่เฉยหยาดกันไม่เผาผีกันอะไรเนี้มันคิดดูสิมันร้ายแรงไหมลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันโกรกันเรื่ว่าลูกไม่เผาผีพ่อแม่พ่อแม่ไม่เผาผีลูกอะไรเงี้ยมันคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะมันเลวร้ายนะพวกเราก็เหมือนพี่น้องกันไม่ใช่เหมือนแล้วมันเป็นพี่น้องกันมาอาตมาไม่อยากพูดอะจินไตอะไรให้มันวุ่นวาย มันมาอยู่ร่วมกันได้อย่างนี้นะมันพี่น้องแล้วแล้วมันก็พี่พี่น้องกันระดับของโลกุตระเรามาเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันพยายามตั้งใจดีว่าโอ้พวกนี้เป็นเหตุปัจจัยแก่เรานะเออเข้าอย่างนี้ชาตตั้งใจพิจารณาดีว่าเออย่างนงี้ก็ให้ประโยชน์แก่เราเราก็เหมือนกันบางทีผีเข้าเราก็ให้ประโยชน์แก่คนอื่นเป็นโจทย์ให้คนอื่นเขาผีเข้าบางก็เป็นโจทย์ให้แก่เรา หรือคนไม่ผีเข้าเราตั้งใจเลยเจตนาเลยเรารู้ใจเขาเลยว่าเขาเจตนาจะทําโจลให้แกเราอย่างนี้เมื่อเอาตมานี่คุณรู้หรือวอาตมาตั้งใจให้โจลแกคุณอย่างนี้ทําไมหน้าทีกับเราดุจังเลยทีกับคนนั้นทําไมเอาใจจังเลยจริงๆแล้วคนที่เอาใจด้วยมากๆน่ะไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกคนดุได้โดนดุมากๆนะ่ะท่าก็เหมือนกระทบแข็งแรงนะ อาตมาเนี่ยจะหยาบก็หยาบขนาดหนึ่งหยาบเกินนั้นอาตมาหยาบด้วยไม่ได้แล้วก็พอเด็กดื้อก็ต้องหยาบมากก็เด่นเป็นได้มันนัยยะคล้ายๆกันซ้อนกันเด็กดื้อที่สุดก็ต้องหยาบขนาดนี้คนที่จิตแข็งแรงสูงส่งก็ต้องหยาบอย่างนี้บ้างด้วยเหมือนกันนี่มันซ้อนแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นคนต่ําหรือคนสูงอาตมาหยาบอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยคุณเป็นผู้ที่ต้องทดสอบคนนี้บรรลุแล้วล่ะ หนักกวนนี้นี่จะสู้ไหวไหมหรือคุณเองมันคนหยาบมันก็คนหนาจริงๆก็ต้องหยาบอย่างนี้เหมือนกันแต่คุณจะรู้ได้ยังไงสมมติว่าหยาเป็นผู้ดีแล้วกันนะแต่ถ้าสมมติหยาเป็นผู้ดีนะเราจะอ่านชนิดหนึ่งอ่านจิตละเอียดไม่จะอ่านจิตต่ำ เพราะฉะนั้นอ่านมันทั้งสองด้านเออเรายังไม่รู้ว่า อ, อางีท้ท่านแรงกับเราอย่างนี้นี่เอเราหยาบอย่างชนิดดื้อด้านหรือว่ายาบเป็นชนิดที่ท่านทดสอบลองลองแรงเรานี้เราขึ้นไหมถ้าจิตของคุณเป็นจริงนะคุณจะขึ้นไม่ขึ้นอย่างชนิดที่เราเป็นอริยะมันก็จะรู้ว่ามันขึ้นอย่างอริยะถ้าจิตของคุณ เป็นปุถุชนหรือว่าเป็นอัจริยะต่ําชั้นต่ําต้องอย่างนี้ด่านดื้อด้านอย่างนี้ก็โดนโจดแรงๆอย่างนี้คุณก็อ่านดูเออกิเลสเรายังจะเป็นยังไงเราจะอ่านออกความจริงตรงกิเลสของเราจริงๆมันจะเป็นลักษณะอย่างไรเนี่ยลิงคะความแตกต่างของกิเลสก็จะซับซ้อนเราจะรู้แล้วออกิเลสของเรายังมีพริ้วพราย หรือกิเลสของเราอย่างโอโหเนี่มันกิเลสแท้ยังไม่ได้ล้างก็จะรู้ว่าอ๋อในของเราในระดับยังไม่ได้ล้างแต่กิเลสในพลิ้วแผวกระแทกแล้วยังไหวๆซึ่งมันต่างกันกับกิเลสที่เป็นอนุสัยอาสวะกับกิเลสที่มันกระทบแล้วพลิ้วแผวไว้กับกิเลสที่นี่ความหนาของอนุสัยอาสวะหรือไม่ใช่อนุสัยอาสวะโดยซ้ํา ป้นโบโรเนะี่ยปะริยุทธานกิเลสไม่ใช่อนุสัยกิเลสโหน่ะหน้ า, นาตายังเต็มตัวเลยคุณจะมียานที่จะอ่านรู้ว่ามันต่างกันเพรา ะ, ะนั้นถ้าผอว่าโดนบ่อยๆบ่อยๆนี่นะมันจะรู้เลยข้อสำคัญก็คือโดนบ่อยนี่หลายทีนี่ทีถ้ากิเลสพิวแผ่วนี่นะกิเลส ท, ที่ที่จริงเราเคยแน่นมาแล้ว แต่มันก็ยังไหวผิวแ ป, ปรว่ากรมปติรู้ไหวได้สังสมมาเรื่อยๆจนกระทั่ ง, ทงพุทธะโลกาทัมเมหิไหวกับที่เราจะเจอว่ามันไม่ใช่ไหวมันยังไม่ได้ล้างก้อนเบลหรือเหลือก้อนที่เป็นอนุัยอาสวะเพรัะตัวจิตที่อยู่กับตัวจิตที่มันเกิดใหม่ไหวนี่คือตัวเกิดใหม่นะ ตัวจิตที่ยังไม่ได้ล้างตัวที่ทังเกลี้ยงเนี่ยมันจิตที่ยังยังอยู่เราก่อนนะเพราะฉะนั้นมันจะลักษณะจะต่างกันหลายครั้งเก้าคุณจะรู้เองว่าอ๋อจิตตัวนี้เป็นจิตตัวไหนจิตตัวนี้เป็นจิตตัวที่ยังไม่ได้ล้างออกหรือจิตตัวนี้เป็นภาวะที่ยังไม่แข็งแรงยังไม่สมาธิที่มั่นคงยังไม่ใช่อกุปาเจโตวิมุติ ยังไม่ใช่อกุ ป, ปาเจโตวิมุเตเตสิกยังไม่จิตจิตตัวนี้จิตตัวที่วิมุตย์อย่างไม่มีหวั่นไหวอีกแล้วอกุ ป, ปาเจโตวิมุตย์ยังไม่ใช่จิตตัวนี้คุณก็จะเข้าไปรู้ละเอียดละอในจิตเจตสิกรูปนิพพานรูปปรมัิตย์ของคุณเองจริงๆเพราะเราพิสูจน์กันผู้ดีกระทบเราเราก็ รู้ว่าผู้ดีกระทบกระแทกเราด้ดยโจ์อย่างนี้คนชั้นต่ำกระทบเราเราก็จะรู้ว่าคนชั้นต่ำกระทบเราลักษณะจะต่างกันอย่างไรก็จะมีนัยยะที่ต่างกันเองเหมือนกันเหมือนกับเราบอกว่าเออพวกเรานี่นะถ้าพวกเรามาว่าอย่างนี้เราถือสาแต่คนกนอกว่าไม่ถือสานั่นก็เป็นนัยยะจริง แต่เห็นพวกเรามันเป็นอย่างนี้นะมันทนไม่ได้ก็คนอื่นอน่ยยากกว่าพวกเราแต่แต่คุณยังทนได้ไม่เฉยเขายากเพราะคุณวางเขาใช่ไหมแต่ถ้าพวกนี้คุณยึดว่าเป็นพวกเราเป็นผู้ดีเป็นคนของเรามันมีนัยยะหน้าคำอยู่อีกอันหนึ่งนี่เป็นครูบาอาจารย์เรารล้อนี่เป็นสมณะแล้ว เป็นสัมมานาแล้วมันน่าจะดีอย่างเงนะ s <S ทำไมมันไม่ดีเราเป็นอย่างงี้มันไม่ได้เราต้องถือคุณก็คันหัวใจแล้ก็ท่านเป็นอย่างนั้นของท่านก็ท่านได้แค่นั้นคุณว่าเป็นไม่แล้ ว, ว่าท่านสูงกว่าคุณหรืว่าคุณสูงกว่าท่านนัยยะนี้หรือเหตุปัจจัยนี้เรื่องนี้ท่านอาจจะต่ำกว่าคุณแต่นัยยะอื่นท่านสูงกว่าคุณคุณละเอียดอย่างนั้นพอหรือยังยังไม่พอคุณก็อย่าเพิ่งไปเดาวอย่างน้อยสมมติของท่านก็เป็นอย่างนั้น พวางไว้ก่อนคุณจะมียานพอรู้ไปเรื่อยหรือวางไว้ก่อนก็วางไว้ก่อนถ้าวางไว้ก่อนเราก็ได้ประโยชน์เพราะสมมุติของท่านเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้จักฐานะสมมุติเป็นสัจจะชนิดหนึ่งแล้วก็ง่ายเอาละหมดเวลาแล้วเดี๋ยวท่านกำแพงพุทธจะว่าเอาพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้ เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริงตรัสสอนความจริงว่าธรรมะยอมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึ่งพียงแกผู้ประพฤตชอบธรรมอามณ์ อาโซธรมาเวรปติทรรมจริงอำนาใดใดก็ตายอมถึงคว้ว Akathamaprajna.